โมตัสสะพระวนโตอะระห์โตสมา ส, ส, ม ส, า, า, ส, สามสาสพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวนโตอะระห์โตสมานสามพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวนโตอะระห์โตสมาสามพุทธัสสะ ธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีติติอ่าขอความเจริญในธรรมผู้ใคร่ในธรรมงั้นคนที่ใคร่ในธรรมคือหมายความว่าตนเอง ที่สนใจเรื่องปฏิบัติว่าคำว่าปฏิบัติเนี่ยคือหมายความว่าให้จิตใจเราได้สงบเพราะความสงบเนี่ยเป็นบ่อกเกิดของบุญอุศลพระบุญเนี่ยถ้าใจสงบ อารมณ์บุญก็จะไหลเข้ามาสู่ใจนี้ใจเนี่ยมีอะไรปิดบงังล่ะในแง่ของธรรมะเขาเรียกว่าตัวอวิชชา อ, อาวิชชาแปลว่าไม่รู้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยคืออารมณ์ อ, มอารมณ์ใจเราเนี่ย คิดทุกขณะเลยนั่งก็คิดเดินก็นคิดยืนก็นคิดนอนก็นคิดความคิดเนี่ยมันเป็นสภาวะปรงแตง่งเขาเรียกว่าจิตตสังขารสังขารคือจิตแล้วก็ปรงแตง่ง เมื่อถูกปรุงแต่งและความสงบใจไม่มีและอารมณ์เหล่านี้มันปิดบังอันนี้ถ้าใจนิ่งลนะ่ะถ้าใจนิ่งอยู่ในองค์บริกรรมองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามเนี่ยพอจิตเรารวมตัวกระแสแห่งความสงบไหลเข้ามาสู่ใจตัวเอง นี้ทำให้อารมณ์ใจนิสบายใจเสีนนั้นใจของเราทุกคนเนี่ยถ้าเรามาสงบใจถ้าใจได้สัมผัสอารมณ์เนี่ยเาเรียกว่าสัปพะสังธรรมรโสชินาติลดแห่งธรรมย่อมะนาลดทั้งปวงนิใจของเราทุกคนพอสงบ สงบขณะหนึ่งขณะหนึ่งเป็นคณิกะคำว่าคณิกะคือจิตเราเป็นเอกภพต า, าอันนี้จิตได้สัมผัสเดพอสัมผัสก็มือนเรา <c oughs> ทานอาหารอร่อยนั่นแหละพออร่อยความรู้สึกที่เราฉันอาหาร มันมีรสและมีความรู้สึกทานข้าวได้จิตของเราก็เหมือนกันอันนี้จิตของเราพอจิตเรารวมตัวขึ้นมาอันนี้จิตได้สัมผัสแล้วและมีความรู้สึกความรู้สึกกายเป็นอะไรกายมันก็จะเบาว่างไปหมดเลย <c oughs> ใจก็เบาบางนี่คำว่าว่างเนี่ยว่างโลและว่างไม่โลถ้าว่างโลนี่จิตมันอยู่ภายในเพราะสภาวะภายในเนี่ยถ้าจิตเราเข้ามาสู่ภายในเพราะภายใน อายตนะภายในอายตนะภายนอกนี้อายตนะแปลว่าเครื่องกระทบอันนี้จิตเราเนียให้กระทบภายในือพอกระทบภายในจิตเราก็รู้ภายในอันนี้จิตเรากระทบภายนอกจิตเราก็ออกภายนอก นี่ถ้าเรามาสงบจิตเราจะเห็นจิตตนเองแล้วเห็นจิตตนเองโอ้จิตเราให้มันพักก็ไม่พักให้มันหยุดก็ไม่หยุดให้มันนิ่งก็ไม่นิ่งเพราะอะไรเพราะความรู้สึกเราจะเห็นจิตตนเองโคจร อ, ออกแล้ว โหยอนออกไปออกไปไหนออกไปตามอาติตาลมอารมณ์ที่เราได้ตาได้เห็นไว้โโหได้ยินไว้จมูกได้ดมกลิ่นไว้ลิ้นได้สัมผัสไว้ รถที่ปรากฏลินพอสัมผสัสเกิดรถปรากฏกายสัมผสัสใจรับรู้อารมณ์อันนี้ก็เป็นอติตารมณ์เวลาเรามาสงบจิตจิตแล้วก็ไหลออกไปไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าจิตไหลไปตามอายตนะภายนอก มเมื่อกระแสจิตเราไหลออกไปเงี้ยเป็นอะไรก็เป็นโมหะไปอืเป็นโมหะจิตไปนี้เราก็ต้องอาศัยรู้สอนใจตนเองหาจิตเรารู้อารมณ์แล้วก็สอนใจเออเรื่องอดีตเอาไว้ก่อนเรื่องอนาคตไว้ก่อน ตอนเนี้ยเรามาสงบใจให้ใจได้พักไว้เมื่อเราสอนใจอย่างเนี้ยนี้ทำให้ใจเรา <c oughs> มีส ต, ติขึ้นมาโอ้เรามีเวลาน้อยช่วงระยะชั่วโมงหนึ่งให้ใจใจเราได้มาพักกับองค์บริการไว้ เราเปลี่ยนความคิดใหม่ให้ใจคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธเนี่ยเปลี่ยนความคิดเพราะตามปกติจิตเราคิดเรื่องอดีตอ น, นาคตอดีตอ น, นาคตพอคิดไปใจไม่สบายพอคิดไปใจเป็นทุกข์คิดไปใจเกิดพยาบาท คิดไปใจเกิดอาฆาตคิดไปน้อยใจคิดไปก็เสียใจนี่เราเปลี่ยนอารมณ์ใจใหม่ <c oughs> เมื่อเราเปลี่ยนอารมณ์ใจใจอยู่ก็พุโทโธพุธโทโธนี่ใจเราตัดกระแสตัดกระแสอดีตอนาคตอดีตอนาคต หายใจเราตกอยู่ในท่ามกลางคือปัจจุบันปัจจุบันนี้เรานั่งอยู่อันนี้ขณะนี้เรานั่งอยู่หายใจเราตกอยู่ในท่ามกลางอันนี้ใจเราก็เพ่งสิเพ่งอยู่ที่กายวานาคืบลึกส่องกลับมาอันนี้สภาวะธรรมตัวนี้แหละที่พระเจ้าให้ ใช้สติพิจารณาไกลกรองดูเหตุดูผลว่ารูป ก, กายของเราเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้กายเรามีความรู้สึกเป็นยังไงให้ดูปัจจุบันเพราะกายที่เรา ขณะนี้เรานั่งอยู่มเมื่อเรานั่งแล้วใจอยู่กับภาวนาในี้ใจเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่มเมื่อไม่ค่อยอยู่เนี่ยใจอยู่ที่ไหนให้จิตเราดูใจตัวเองอมเมื่อเอาจิตมาเพ่งดู เราจะเห็นว่าใจเราเนี่ยให้มาอยู่กับองค์รีกรัรมก็ไม่อยู่เราก็ต้องอาศัยอาศัยฐานเขาเรียกว่ากรรมฐานฐานแปลว่าที่ตั้งของจิตจิตมีฐานที่เราฝึกหัดเนี่ยเราเอาฐานลง น, นี้สภาวะของลมเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติเราอยู่ได้ธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่อากิตมาตั้งวทิฏฐานเอามาตั้งทิฏฐานเพราะตัวจิตเนี่ยมันตัวรับโลอารมเป็นนามธรรมา ลมเข้าลมออกอันนี้เอาจิตมาตั้งไวลลออ้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกและจิตตนเองมีปัญญาเอาลมเป็นฐานของจิตอันนี้จิตพอตั้งอยู่ในฐานลมจิตตนเองเนี่ยเห็นลมตนเอง ลมผ่านเข้าลมผ่านออกลมผ่านเข้าลมผ่านออกอ ล, ลมผ่านเข้าลมผ่านออกจิตเราอยู่ก the the ับลมเข้าลมออกและก็จ <me util> MM. ิตก <me> in ็เห็นลมตัวเองอมันนี้ถ้าจิตเห็นลมตนเองเนี่จิตมีปัญญาแล้ว เพราะตามปกติโคเราหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติทุกวันเลยแต่สภาวะเนี้ยของลมเนี้ยมีเป็นประจาอันนี้เราพระจิตมาตั้งฐานขึ้นมาพอมาตั้งฐานจิตก็มีฐานแล้วอันนี้จิตเห็นอะไรก็เห็นลมตนเอง เห็นลมท้องด็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวออกสั้นหายใจเข้าสั้นออกสั้นหายใจเข้ายาวออกยาวหายใจแผ่วเบาลงอันนี้ถ้าจิตเราอยู่กับลมเนี่ย จิตจะเห็นลม <c oughs> ลมเบาลมละเอียดแล้วลมลึกๆกลงดูเหมือนไม่หายใจนี่เครื่องรู้ของจิตก็จะเกิด อ, อ, อันนี้ถ้าจิตอยู่ภายในอย่างเนี้ยเนี่ยเครื่องรู้ของจิตเกิดปัญญาแล้วอันนี้ถ้าเรานั่งไม่มีฐาน ใจนึกว่าพุโทโธพุธโทโธนี่นึกนะอีกดวงหนึ่งก็คิดไปอีกดวงหนึ่งก็นึกไปอีกดวงหนึ่งก็เพลินไปอีกดวงหนึ่งก็เคลิมไปลักษณะอย่างนี้ได้แต่นึกแต่ขาดตัวสัมปจัยะนี่กระแสอะไรเข้าอะไัวเนี้ย กระแสตัวทินิมิทธะเข้าเข้าสกัดกันดอด้กระแสจิตก็ตกในตัวกระแสเสื่องสึมแล้วก็เพลิดเพลินนี่เราก็ต้องมีสตมิมีสติรู้ว่าจิตเราเนี่ยอารมณ์พลินเกิด อารมณ์ซึมเกิดอารมณ์ห่วงเกิดแลให้มีสติแล้วก็หาอุบายทำส ม, มจัญญักความรู้สึกไว้ขณะนี้เราเพลินอยู่ขณะนี้เราซึมอยู่ตามรู้แต่ไม่ปล่อยจิตไปตามอารมณ์ สิ่งที่เราไม่ปล่อยจิตไปตามอารมณ์นะั้นมีปัญญาแหละจิตเพลินขณะหนึ่งสับครั้งสองครั้งรืมแล้วก็หาอุบายแก้ไว้อารมณ์เพลินตัวนี้สาคัญมากเลยถ้าเราไม่หาอุบายแก้เนี่ยเราไม่ข้ามอารมณ์ พอมาตกตัวโอขาตัวนีโอขะแปลว่าห่วงน้ำเราไม่ข้ามอารมณ์โอขาทำให้พอมาถึงห่วงน้ำเราก็ตกอยู่ในห่วงน้ำไปนี้เราก็ต้องแก้อารมณ์ใจไว้เพราะการปฏิบัติเนี่ยทำความเพียรรู้รู้อะไร รู้อารมณ์อะรู้อารมณ์เห็นอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์ น, นี้ถ้าเราหาบ่ายแก้อารมณ์นี้ก็จะดีขึ้นมามเราสังเกตที่เรากำหนดนั่นแหละที่อากิจเรากำหนดให้ความรู้สึกกายรู้สึกอารมณ์รู้สึกกายรู้สึกอารมณ์พอนั่งไป ความรู้สึกทางกายก็ปรากฏแล้วเมือม่อยเมื่อยขาบ้างปวดขาบ้างปวดหลังบ้าง mm hmm. นี่ความปวดนี่มันเกิดจากอะไรเลือดลมเดินไม่สะดวกพอเดินไม่สะดวกความทุกตัวนี้ก็ปรากฏแล้ว อันนี้จิตที่เรากําหนดพุทธโธพุทธโธเวลาปวดขาปุ๊บจิตเราไม่อยู่กัพ<ม>กบพุท<ม>พโธแล้วอืไปอยู่กับปวดแล้วอืพอไปอยู่กับปวดอือันนี้เจ้าจิตนี่ยมันเสวยเวทนาอืเวทนาเนี่ยภาษาธรรมะภาษาธรรมะเรียกว่าเวทนา ภาษาความรู้สึกในใจเราเนี่ยความปวดอพอเกิดปุ๊บจิตก็อยู่กับปวดนี่เราก็ต้องดูอีกแล้วดูปวดเราพอทนได้ไห ม, มถ้าพอทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้เราก็ขยับ สิ่งที่เรากระยาบเนี่ยเข <c oughs> เรียกว่าอิริยาบถ <c oughs> อิริยาบถผ่อนคลายพ่อนคลายทุกเ <c oughs> วลามันมีทุกข์ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เราก็หาอุบายผ่อนคลายพ อ, ย ผ, อยผ่อนคลายความปวดมันดับพ อ, ด, บอดับไป อันนี้สบายความสบายก็เกิดแล้วเดี๋ยวไปสวยความปวดอีกอันนี้เจ้าจิตเขาเะวยอารมณ์และปวดบ้างไม่ปวดบ้างทุกบ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างนนี้เจ้าจิตเขาสรวยอารมณ์อันนี้สภาวะเนี่มันปรากฏทุกวันอันนี้ถ้าจิตจะอยู่ภายใน อันนี้สภาวะจิตเราก็มีเครื่องรู้ขึ้นมาอันนี้ถ้าจิตเราไม่อยู่ภายในแล้วเนี่ยจิตเราจะไม่โืดจิตเราก็อยู่กับความลงไปงั้นภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างเราสร้างภาวนาให้เกิดปัญญารอบโลอยู่ในกองแห่งสังขาร ภาวนาใหม่บุญสาเร็จด้วยการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นยอดแทงบุญเลยคำว่ายอดแทงบุญคือหมายความมาให้จิตเราเนี่ยเข้าถึงบุญเลยเข้าถึงตัวสงบอพอเข้าถึงตัวสงบนี่จิตมันเปลี่ยนอารมณ์ได้เปลี่ยนอารมณ์ เมื่อเราได้ปลูกหัดไปอันนี้จิตของตนเองก็จะเกิดปัญญาโอ้เมื่อก่อนเราอารมณ์รุนแรงอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์มักโกรธอารมณ์เหล่านี้รุนแรงมากแต่เมื่อเราภาวนาไปภาวนาไปอารมณ์เหล่านี้มันน้อยลงไป สิ่งที่มันมีมากเนี่ยมันน้อยลงไปนี่แสดงว่าภาวนาเราได้ผลทำให้จิตใจเราพิจารณาแล้วจะได้เกิดปัญญาว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยโคตรเกา่าอนุสัยอนุสัยคือนอนเนื้อในจิตใจ สิ่งที่นอนเนื่องในจิตใจมันผุดมาตลอดเลยแต่เมื่อเรามาภาวนานเนี่ยเราจะได้เกิดปัญญาที่พระเจ้ากลัดว่าคนเราพอจิตสงบและจิตเราได้ดวงตาเห็นธรรมคำว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเราจะเห็นสภาวะของรูปธรรม สภาวะของอารมณ์ใจสิ่งเหล่านี้ความจริงงมก็ปรากฏขึ้นมาโลกธรรมเป็นอะไรโลกธรรมก็เป็นทุกข์อ่ะเนี่ยทุกข์มาข้อแรกเลยนี่หลักธรรมคำสอนของพพุทธเจ้าที่พุทธเจ้ากลัดเอาไว้ทุกข์ก็มาข้อแรกเหมือนกันทุกข์สมุทยัย ตัวทุกนี้มาก็หมายความว่าที่เราสงบใจใจจะเกิดปัญญาแหละเกิดปัญญาไงสภาวะกองห้โลกเนี่ยไม่มีความสุขเลยมีแต่เรื่องทุกตลอดเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราสังเกตตัว เราต้องแก้ไขเยียวยากายทุกวันเลยไม่ไ้แต่นั่งขนาดนี้มันก็มีแต่ปวดมีแต่เวทนานั่งการสมาธิเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างขัดสมาธบ้างผับเพียบบ้างผ่อนคลายเวทนาอย่างเงี้ยอเดินมากก็ปวด นั่งน้ากก็ปวดยืนมากก็ปวดนอนมากก็ปวด mm hmm. เวทนาเนี่ยมันบีบคั้นทุกวันทุกวัน mm hmm. mm hmm. เมื่อเรามาพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นหลักความจริงตัวเนี้ย mm hmm. ยามเจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. mm hmm. เราก็กินยาแล้งับเวทนาไป ความสุขทางกายนี่หายากฉะนั้นพระจ้าจึงกล่าวว่านิลามิสุขสุขที่ไม่อิงอา mith เขาเรียกว่าเป็นเจตสิกสุขสุขที่เกิดจากสมาธิพอจิตมีสมาธินั้นเราเข้าใจเลยโอ้ความสุขที่แท้จริง คือความสงบใจตอนนั้นเอง mm. ทางกายนี้ตั้งกองไหนมีตาเวทนาเราสังเกตุสังเกตดู mm. ตด mm. ั้งแต่ตาหูจมูกเรินกายใจเราเนี่ยมีตาเวทนาเราสังเกตดูยังลงบานจะกข mm. โสตะ ขานะชิวหา<ม>จากศอกก็ดวงตา<ม>ลงบานดวงตาลงาบานหูลงบานจามูกโงพาบาลรินกายใจแก้ไ<ม>ขเบตาแต่ไม่หาย<ม>สิ่งที่ไม่หายเพราะอะไร<ม>เพราะกายเนี่ยเป็นบ่อเกิด ของทุกเลยแก้ไขยังไงก็ไม่ได้แต่พูะเจ้าเราเนี่ยให้แก้ไขใจการแก้ไขใจเนี่ยเอาใจมาพิจารณาให้ใจตนเองเนี่เห็นกายแล้วก็ทำความเบื่อหน่ายกาย และให้จิตเรานี่ได้ปล่อยวางกายไม่งั้นจิตเรายึดกายไงมนนษยพอจิตยึดกายจิตเป็นทุกข์เลยเราจะเห็นไงเราจะเห็นว่าอนาถเป็นิกาศฐีเป็นพระโสดาบันป่วยป่วยหนักเลย นี่พอป่วยหนักเบตนากรนมากเลยพอกวนมากให้คนใช้เข้าวเฝ้าพุทเจ้าพอข้าวเฝ้าพุทเจ้าก็ส่งพระมาแล้วส่งภาษาใิบุรพระอนุน์มาพอมาเยี่ยมเศรษฐี เศรษฐีเริ่พึงลำพันแล้วข้าแต่พระคุณเจ้าเอ้ยเวทนามันแรงเหลือเกินศีสระข้าพระเจ้าเหมือนเขาเอาเชือกมาขันตนันน็ตเวทนามันรุนแรงมากเลยท้องข้าพระเจ้าเหมือนเขาเอามีดมาขวานเวทนารุนแรง พอภาษาในบทได้ฟังตอนนั้นเองอภาษาในบุทให้สติแล้วเอาท่านเศรษฐีท่านยังอะไรอววรขันหน้าอยู่หรือเศรษฐีเป็นพระโสดาบันได้สติช่วงใหม่ใหม่เวทนามันแหลงลืม พอภาษาที่บุตรให้ะ ต, ติดท่นั้นเองเสรษถีเกิดปัญญาแล้วพราจิตไปอยู่วิตกวิจารปิติสุขเอเกตาเวทนาดับเพระาะจิตไปอยู่องค์ธรรมแล้วเวทนาทางกายนิ่ดับ พอดับไปเสถียรปลื้มปิติมากปลื้มปีติพอปลื้มปิติเสรษฐีน้ําตาไหลอีกแล้วภาษาในบุตรยามอีกแล้วเอาท่านเสถษฐีท่านยังอะไรอาวร อ, อีกหรือข้าแต่พระคุณเจ้าขอให้พระคุณเจ้าเนี่ยบอกอนุชน ภายหลังให้หาที่พึ่งทางใจไว้ทางอื่นพึ่งไม่ได้แล้วนอกจากอำนาจคุณปรัตนาไตรตทนั้นเองอ น, นี้เศรษฐียังห่วงชนภายหลังอีกอ น, นี้เรามาเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์กายก็ต้องให้ละอารมณ์ก็ต้องให้ละ เมื่อละแล้วเนี่ยทำให้จิตก็ปล่อยวางฉะนั้นการไปบัติที่ทำให้จิตเราได้เกิดปัญญาเนี่ยให้จิตเราได้เห็นทุกทุกวันเนี่ ย, เ, ยเราต้องเปลี่ยนแก้ไขเยียวยาทุกวันเนี่ยให้ข้าวให้น้ำพอให้ข้าวให้น้ำไปของเก่า อ, ออกของใหม่ใจเข้าไปของเก่า อ, ออกอกีอออกแล้ว เนี่ยเราต้องแก้ไขเยี่ยวยาวเนี้ยเป็นประจําทุกวันทุกวันอพุทธเจ้าให้พิจารณาเรื่องนี้เมื่อเราพิจารณาจิตมันจะเห็นทุกทุกมีแต่คนดูทุกไม่มีอืมเพราะจิตเราไม่อยู่ภายในอะถ้าอยู่ภายในจิตจะเกิดปัญญาอเงั้นที่เรายื่งเก็บให้ได้ป่วยเนี่ย กินยาทุกวันทุกวัน น, นี่แหละเป็นองค์พิจารณาเลย น, นี่ก็เรียกว่าทุกที่ควรกําหนดโล่ะเพราะมันมีอยู่แล้ว น, นี่ก็เอาจิตพิจารณาสิพิจารณาโอ้เราอยู่ในขั้นเจ็บแล้วเราต้องเอายารักษาโรคอุดทง น, อ, นอุดทงนี้ร่างกายเราก็เริ่มไม่ไหวแล้ว นั้นเบทธนาตัวนี้มันเป็นสภาวะที่ปรากฏเลยนนี้เราก็อาจิตพิจารณาอันนี้พอพิจารณาแล้วเนี่ยจิตเราจะได้เข้าใจคำสอนของพุธเจ้าที่พรธเจ้ากล่าวว่าอัปมาเทนสัมปาเทตตท่านตั้งหลายยงอยากประมาทคำว่าประมาทคือหมายความไม่หาที่พึ่งเอาไว้ ยังก็เศรษฐีนี่ยเศรษฐีพอภาษาลิบุตรหันหลังกลับไปเศรษฐีก็หมดลมพอหมดลมแล้วเนี่ยเศรษฐีเป็นพระโสดาบันเนี่ยไปเกิดชันดุสิตชาวมืดผู้เจ้าเดินจงกลมอยู่ เศรธฐีมาปรากฏตัวว่าลำพึงลำพันที่พระองค์ ส, งส่งภาษาในบุตรพระอานนท์ไปให้สติทำให้จิตเกิดปัญญาแล้วมาปรากฏชันดุสิต และมาแสดงให้พระองค์ได้ทราบนี่เรามาพิจารณาว่าหลักคำสอนของพระเจา้าเนี่ยท่านให้หาที่พึ่งทางใจเพราะกายเนี่ยเรามาท่องเที่ยวในเมืองมนุษย์ทั่วกราวเหมือนเราได้วีซ่าไปยุโรปสามเดือนหกเดือน พอหมดวีซ่าเราต้องกลับมนุษย์เราก็เหมือนกันเรามาอยู่เมืองมนุษย์ที่ปีดาวอัน<ม>นี้กรรมจำแนกแล้ว<ม>กรรมจำแนกทีนี้ถ้ากุศลละกรรมฝ่ายบุญเนี่ยถ้าเราเอากายสร้างบุญทุกวันทุกวันช่วงว่างเรามาเอากายต่อบุญ เอาวาจาต่อบุญเอาใจต่อบุญนีพลังบุญก็มากขึ้นอารมณ์บาปก็ลดลงไปไกลายเป็นบุญไงที่เราสิบนิ้ววันตาอาภิวาสกราบคุณพระชนาไตรวาจาสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ว่าจาก็เป็นบุญใจเป็นบุญใจสงบใจหยุดใจนิ่งใจโยกภาวนาใจแล้วก็ต่อบุญเน่ยอันนี้เราก็ปลื้มใจดีใจอ่ะสิ่งที่เราปลื้มใจดีใจนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์บุญอารมณ์กุศลแล้วสังเกตดิ ถ้าใจเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเนี่ยระบบหายใจจะเบาลงอารมใจเย็นลงเลยถ้าใจอยู่กับพุโทโธพุธโทโธอันนี้ถ้าใจไม่อยู่กับความสงบเนี่ยใจมันเต้นแรงถ้าโลภะปรุงแต่งใจก็เต้นทุกทุบทุบทุมถ้าอารมณ์ปลดปรุงแต่งใจก็ เต้นหนักเลย อ, อารมณ์โมหะปรุงแตง่งใจก็เต้นแรงมากเลยนี่ระบบหัวใจนี่สาคัญเลยครับฉะนั้นอารมณ์บุญนี่เป็นตัวหล่อหลอมหล่อหลอมใจให้เต้นช้าลงช้าลงช้าลงนี่อารมณ์บุญได้ปรากฏนี่ก็เรียกว่าต่อบุญทุกวันทุกวัน อันนี้ความดีใจปลื้มใจเนี่ยมันจะปรากฏว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเรามาอยู่ในตระกูลพ่อแม่เป็นสมาธิทีิคำว่าสมาธิทฐิคือหมายความว่านับถือคุณปรัตนไตรแล้วก็สอนโลกพ่อแม่เรานี่สอนโลกไม่ทำบาป ไม่ให้ปานาไม่ใินนาไม่ให้ผิดข้อกาเมไม่ผิดข้อมุสาไม่ผิดข้อสุรานี่พ่อแม่สอนลูกมาตั้งแต่เด็กเลยถ้าเราถูกอบรมแาเงี้ยนั่นแหละเรายังมีบุญอเจอพ่อแม่เป็นสมา ธ, ธิเมื่อเรามามีครอบครัวเรามาเจอสามีอยู่ในกรอบของสินก็เป็นบุญเรา อันนี้คนไหนมามีภรรยาภรรยาอยู่ในกอบของศีลก็เป็นบุญของตนเองอันนี้เราก็พากันสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยถ้าใจเรากลงกันอย่างเนี้ยถ้าเรียกว่าสหสหชาตปฏิโยมีสหชาติเป็นปัจจัยกลงกันสามีภรรยา สร้างบารมีด้วยกันแต่ถ้าไม่โงงกันสามีเจ้าโชวสามีเล่นการบรรนานสามีดืม่มแต่ภรรยาอยู่ในกรอบของศีล น, นี้ไปกลต่างแล้วไม่ใช่เป็นสหาชาติแล้วนี่เป็นเวรเป็นกรรมแล้วอืมเป็นเวรเป็นกรรม คำว่าเป็นเบ น, นเป็นกรรมคือหมายความมีเครื่องติ้มแทงใจใจนี้ไม่สบายใจมันจะเป็นทุกข์ตลอดเลยพอนึกถึงสามีก็น้อยใจตนเองโเรามีสามีผิดหวังแล้วที่ผิดหวังเพราะไม่สมเจตนา ที่เรามีสามีแล้วไม่ไม่สนใจเรื่องสินทำก็ทำให้ตนเองไม่สบายใจงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีหลักคำสอนเนี่ยเราต้องสอนใจตนเองเออถ้าเรามีสามีอย่างเนี้ยเราก็ตัดใจใช้เวณใช้กรรมมันหมดไปแต่เราอยู่ในกร่อของสินไว นิกรรมก็จะแนกไปเองฉะนั้นที่ญาติโยมได้สงบใจมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจถวายทานตั้งอกตั้งใจสมาทานเบญจศีลตั้งอกตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติตำอานาจบุญกุศลทั้งหมดนี้ที่ญาติโยมตั้งอกตั้งใจบาเพ็ญมาประมาณชั่วโมงหนึ่ง อำนาจคุณปรตนาใจคือพุท ธ, ธานุภาพทำมานุภาพสังฆานุภาพขอนุภาพแห่งคุณปรตนาใจเจตนาที่เป็นกุศลทั้งหมดที่ญาติยอมปรตนาถึงหนึ่งทิ้ในใดก็ตามที่ตนเองตั้งใจเอาไว้จะเป็นมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติพ ร, ร, ระนิพพานสมบัติขอสิ่งนั้นจงสำเร็จ จงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิด